พระธรรมเทศนาลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าคุณค่าของศีลและปล่อยวางได้แล้วเป็นสุขก่อนที่จะสมาทานศีลหรือว่าก่อนที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีลหลวงพ่อจะ แนะนาคุณค่าของศินเรียกว่าคุณประโยชน์ของศินศินมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรคนโบราณบรรพบุบรุษของพวกเราจึงให้เวลามาทําพิธีเรียกว่าเขามาเกี่ยวข้องกับหลักพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับม า, าศาสนพิธีพวกเราก็จะได้ไหว้พระจากนั้นก็อาราธนาศิน แต่โดยมากพระเถระมหาเถระทั้งหลายเมื่อญาติโยมอาราธนาสินประธานสงฆ์และพระมหาเถระเล่านั้นโดยมากท่านก็ให้สินไปเลยท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องคุณค่าหรือป ร, ประโยชน์หรือทำไมจึงมารักษาสินท่านก็ให้สินไปแต่คนะณะคณะศรัทธาญาติโยมที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังหรือว่าพวกเรามีแต่ ทำหน้าที่การงานหาเงินหาวิชาอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองก็ไม่ได้ปวใจหรือไม่ได้ใส่ใจในสินที่เห็นคนโบราณหรือว่าเห็นผู้นำพาว่ากว่ากันตะไปตามและก็จบก็จบไปแล้วว่าเทจะรู้ว่าสินสมควรอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรทําไมจึงรักษาศีลรักษาศีลแล้วได้อะไรสิ่งเหล่านี้ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่เขาเป็นที่เขาอยากจะสอดรู้สอดเห็นหรือว่าเขาอยากจะรู้เขาจะถามคนที่เป็นคนเท่าคนแก่แล้วคนโบราณที่เป็นพ่อแม่พ่อแม่ก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษา เห็นแต่เขาทํามาแล้วก็ถือมาแล้วก็ถือไปรับมาแล้วก็รับไปไก็ไม่ได้รู้เรื่องของศินแต่โดยมากผู้ที่ได้เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนาถ้าได้เข้ามาเรียนรู้หรืองใดศึกษาผู้นั้นก็มีแต่ก็มีไม่มีโอกาสที่จะแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนได้เพราะตัวเองก็เป็นฆรวาวาสญาติโยมแต่จะมาแนะนําสั่งสอนเหมือนพระแนะนํา ให้คณะรัตยาญาติโยมกอหาคนเชื่อถือไม่ได้อีกท่านก็ไม่พูดอีกทั้งที่ท่านก็รู้รู้เต็มใจว่าสินมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคําก็คืออย่างพระอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาคณะสัตยาญาติโยมมาจากจากตุรทิศมากเพื่อมาฟังหลวงพ่ออยู่ข้างใน เป็นพระสงฆ์หลวงพ่อจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรเรื่องศีลธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเมื่อมีโอกาสหลวงพ่อจะเด็แนะนําด้วยว่าบอกกล่าวเรื่องคุณค่าสงศีลที่พวกเราจ ะ, ร, าจะรักษาอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้นําว่าว่านโมเพียงแต่ว่านโมเท่านี้พวกเราก็ไม่รู้แล้วว่านโมแปลว่าอะไรความหมายว่าอย่างไรทําให้จึงกล่าวานโม ไปที่ไหนกันมั้งก่อนที่ถวายทานกันน้โมก่อนจะรักษาศีลกันหนโมเออก่อนที่จะเทศพระผวัต น, นโมอีกทําไมจึงน้โมทำไ ม, ม, ท, ำไมทำไมพูดบ่อยนักคือน้โมตัดสระพระวโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธสระความแปลและความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแดรพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นถ้าพวกเราคิดดูแล้วก็ เราต้องคิดย้อนถึงประวัติศาสตร์คือหน้โมตสานี่คือย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าคือประวัติศาสตร์ทุกทุกศาสนาพวกเรานึกดูกันแล้วกันว่าพุทธศาสนาก็ดีศาสนาไหนๆก็ดีเขาจะต้องล้ำลึกถึงประวัติศาสตร์คือต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาต้นศาสนาของเขาเน่ยเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยม ก่อนที่จะรับสินสินนี่มาจากไหนสินมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติสินเพราะนั้นเวลาเราจะรับสินเราก็ต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนนะโมตัสสะะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคอรหันตะัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความแปลความหมา ย, ยจากนั้นก็พุทธังทำมังสังขัง ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณ ะ, ะเป็นที่พึ่งอของเราพุทธทางธรรมังสังขังสารนางคัตฉามิเข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณ ะ, ะที่พึ่งทําไมพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองได้ตัดสรู้พระธรรมพระธรรมคำสอนสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านเรานํามาวิเคราะห์ เลื่อนำะมาคิดไตรตรองเหตุและผลแล้วพวกเรายอมรับว่าพุทธศาสนาหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักมีหลักเหตุผลอยู่ในนั้นครอบบริบูรณ์เพราะนั้นเราจึงเชื่อนับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ำำจามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเรา ได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาประกาศมาบอกกล่าวให้พวกเราพวกเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือพระธรรมคําสอนเพราะฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้มีบุญคุณสําหรับพวกเราจากนั้นก็จะได้กล่าวเป็นองศ์เถรเนียปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่ากันเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่ไกลเพราะเราไปฆ่าเขาชะใจอีกต่างหากเพราะเราได้ฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเมื่อไหรฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจถ้าเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่ง ปานาติปาตาเวรมณีพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันถ่าฆ่ากันแล้ว เ, เขาก็เป็นทุกข์ถ้าเขามาฆ่าเราเราก็เป็นทุกข์ถึงจะไปฆ่าสัตว์ก็เถอะฆ่าสัตว์สาราเสียงสัตว์สาลาเสีย ง, งก่อนที่มันจะตายก่อนที่เราจะทุบจะฆ่ามันมันก็เสียงร้องจนสุดเสียงมันกันเพราะมันเจ็บมันปวดมันตายเหเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมาติปไตยท่านเป็นธรรมท่านบอกอย่าคิดฆ่ากัน เอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจถ้าเราขโมยของเขาขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันขโมยสิ่งของของเขาขโมยเงินของเขาขโมยของที่เขารักขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่เขามาขโมยของเรา สรุปแล้วคือสินของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วคือพระพุทธเจ้าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานี่แหละคือศินหัวใจของศินไมีอยู่สองสองเท่านี้แหละเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่ทาให้แก่เขาอย่างนั้นเขามีความทุกข์อย่างไรถ้าเขามาทําให้แก่เราเรามีความทุกข์อย่างไรเพราะฉนั้นอย่าทํากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน นี่แหลสินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิจฉยจาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไม่เคารพธิ์เขาไม่เคารพปฏิปไตยของเขาเขาก็เดือดร้อนเขาก็เป็นทุกข์ของเราก็เชินเดียวกันเพราะเราก็รกัเราก็รักสังวนห่วงเหนของเราชินเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านให้เคารพศีลซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาวรมณี อย่าไปต้มตุนหลอกลวงโกหกเขาถ้าเราไปต้มตุนโกหกคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนโกหกโกหกเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันพวกเราอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีโกหกต้มตุนหลอกลวงกันแล้วพวกเราจะหาความสงบสุขในชุมชนสังคมพวกเราไม่ได้อันนี้คือสีขอส่ข้อที่4ีข้อที่หสุราเมระยะมัชชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สารุราเมลยัยคันชายาฝิ่นเฮโรอินยาบ้ายามาโคเคนอะไรรู้แล้วแต่เป็นยาประเภทเสพเข้าไปแล้วก็ทําให้เหมือนเมาขาดสติคนขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ดุดาว่วากล่าวใครก็ได้ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเพราะคนเมาสุราจากนั้นก็จะฆ่าจะขโมยใครก็ได้จากนั้นก็จะ ล, ะลาบประลุงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ โกหกต้มตุนหลอกลวงไครก็ได้เพรา ะ, ะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์บัญญัติไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นจะเป็นผู้นำมาประพฤติธปฏิบัติถ้าว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้มีสินแล้วโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขคุกตารางไม่ต้องพูดถึงไม่มีแต่ถ้าว่าพวกเราส่งเสริมรือว่าไม่ครบศินธรรมไม่มีศินนธรรมแล้ว ล่วงละเมิดศีลธรรมแล้วแปลว่าโลกในยุคนั้นสมัยนั้นใกล้มิขสัญญีมีแต่ความระแวงแคลงใจกันคุกตารางจับเข้าไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คําพูดของหลวงพ่อนะมาพูดนี่คือนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าว ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและก็พวกเรานำไปพุทธปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วพวกเราก็จะถามหลวงพ่อว่าเอ้าถ้าหากว่าจะให้คนรักษาศีลหลวงพ่อคิดได้ยังไงคนจะรักษาศีลทั้งหมดเอาเถอะหลวงพ่อบอกแล้วบอกว่าถึงยังไงถ้าหากว่าพวกเราเรักษาศีลไม่ได้ทั้งหมดแต่พวกเราที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่เออหลวงพ่อพูดมีเหตุมีผล โขกต้องมีเหตุผลถ้าเราไปเบียดเบียนเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาเบียดเบียนเราเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารู้รู้คุณค่าของศีลแล้วถึงใครจะไม่รักษาศีลก็เถอะข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาเป็นผู้รักษาศีลเพราะเราเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าพวกเรานับหนึ่งจากข้าพเจ้าทุกคนนับหนึ่งจากข้าพเจ้า คนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่มันจะมากไปเรื่อยแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่ารักษาศีลเนี่ยไม่ใช่นาทีของข้าให้คนอื่นเป็นผู้รักษาคนนั้นน่าจะรักษาศีลคนนี้จะรักษาศีลแต่ตัวเองไม่รักษาศีล น, นั่นแหละความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราขอให้พวกเรานำไปคิดไปพิจารณาที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนั่นก็คือศีลของพระพทุทธเจ้าทั้ง5ข้อนั้นนะ่ะในสรุปแล้วก็คือให้นำ ใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าพวกเราไม่ต้องการอย่างนั้นพวกเราก็ไม่ควรจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ควรจะทำให้แกเราต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขถึงจะอยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีสินจะเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแหงเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของสินแล้ว ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิง์นะโมตัสสะปะกวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยเวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พระนัทศรายาติโยม ที่หลวงพ่อได้รับจดหมายแล้วว่าได้รับนิมนต์ว่าจะมีผู้สูงอายุโครงการธรรมะสันจอนโครงการผู้สูงอายุธรรมะสัญจอนใครกว่าเป็นผู้ไฟธรรมะไปสู่วัดต่างๆเพื่อจะได้ไหวพระสวดมนต์แล้วก็ฟังพระสงฆ์อยู่ที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นํา จะได้กล่าวสมโมธนิยกคาถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราคณะสาญาติโยมถึงจะมีอายุมากพวกเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศาสนามีแต่ทำหน้าที่การงานหาเลี้ยงชีพ เ, เป็นหลักส่วนพระพุทธศาสนาหรือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นพวกเรานานๆจะได้พบได้เจอจะได้สนใจได้ฟังเป็นบางครั้งบางคราวแต่คราวนี้ก็ ท่านนายกนะท่านนายกผู้นำนายกอิทธพลตรีวัฒน์สุวรรณนายกเทศมนตรีนคอรอุดรธานีเทศบาลนคอรอุดรธานีเป็นผู้นำคณนะมาสู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นผู้สูงอายุทั้งหลายแล้วก็ป ร, ปรีติยินดเีเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย ผู้ผ่านการผ่านเวลามานานทั้งคดีโลกและคดีธรรมพวกเราก็ทำมาค้าขายทำมาหาเลี้ยงชีพมีวิชาอาชีพต่างๆกันที่พวกเรามานั่งด้วยกันเนี่ยพวกเราผ่านมาด้วยกันแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็เพื่อมาสแสวงหาธรรมหรือหาบุญกุศลพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วพวกเราจะหาความสุข ใส่ตัวเองได้อย่างไรอันนี้คือข้อธรรมที่พวกคณะที่มาครั้งก่อนบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อพูดว่าเมื่อสูงอายุแล้วจะหาความสุขใส่ใสตนเองได้อย่างไรอันนี้มันถ้าจะพูดไปแล้วความสุขตัวนี้ใครๆก็ต้องการแต่ว่าการที่จะหาความสุขใ่ตนเองนั้น หลักของพระพุทธศาสนาก็มีมากหลากหลายเหมือนกันแต่สรุปลองอย่างสุดยอดอย่างยอดเยี่ยมจริงๆสุดยอดจริงๆคือว่าให้รู้จักปล่อยวางนี่แหละหลักของพุทธศาสนาคืออันนี้คือสุดหลักสุดคือว่าให้รู้จักปล่อยวางแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นครวญญาติโยมทำนำทำหน้าที่การงานถึงมาถึงจุดนี้แล้ว กันลังยังไม่รู้จักพอเพียงถ้าว่าเราเรา ก, มก็มีลูกมีลูกมีหลานทำหน้าที่การงานของพวกเราพอที่จะแทนมือแทนไม้ของเราพ ว, พวกเราได้แล้วแต่พวกเราก็ยังมกปุ่นในหน้าที่การงานไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอันนี้หลวงพ่อว่าพวกเราก็จะทุกไปจนถึงวันสุดวันจุดจบของชีวิตแต่พวกเราถ้าว่าพวกเราเอ อ, เ อ, อพวกเรา ทำหน้าที่การงานมาขนาดนี้แหละตั้งแต่น้อยแต่หนุ่มจนถึงอายุถึงขนาดนี้แล้วถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยเป็นเทศรษฐีไปแล้วละ่ะแต่ชีวิตของพวกเราคงจะได้เพียงแค่นี้ละ่ะต่อ น, นี้ไปก็คงจะไม่อดไม่ยากพราะเราได้วางรากฐานไว้ดีแล้วเราก็ค่อ ย, ยพยายามไปแต่เราก็ไม่ปล่อยปะละเลยจนเกินไปเราจะไม่ปล่อยให้ลูกให้หลานจนเกินไปเราก็คงจะยึดไปอยู่เพื่อทังชีวิตของเราถ้าเราปล่อย ให้เขาทำไปเลยอย่างเดียวบางทีเขาอาจจะทำผิดแล้วก็ทำให้เราตกทุกข์ได้ยากเมื่อปลายมือก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามควบคุมพอสมควรแต่เราก็จะไม่เน้นหนักจนเกินไปส่วนอื่นที่เขาจะทำอะไรก็เหมอบให้เขาทำไปซะเราก็ทำหน้าที่พ่อนาเพาที่แม่ปู่ย่าตายายไปประคับประคองไปจากนั้นเราก็เข้าศิลธรรมนนะ ถ้าว่าพวกเรายังยังยังไม่เข้าสู่ทางศีลธรรมแล้วพวกเราจะหาความสุขทางใจไม่ได้นะมันจะมีแต่ความทุกข์เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะจต่ า, า ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านนะในทางโลกเราก็ควรทำอยากไม่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ว่าเรื่องศีลธรรมในจิตใจทางด้านจิตใจพวกเราก็ไม่ควรจะปล่อยปะละเลยสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนไว้ว่า อาหารกายอย่างหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งนะแต่พวกเราเนี่ขาดอาหารใจอาหารใจคือความนึกคิดเรื่องเรื่องวิสิทธธรรมเข้าสู่จิตใจเราขาดแต่ว่าเรื่องอาหารกายนั้นเราสอบแสวงหาปัจจัยสีข้าวน้ําโภชนาะอาหารหาเงินหาเงินหาวัตถออุมาเลี้ยงร่างกายแต่เราขาดเรื่องวิสิทธธรรมเรื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแต่หลักของพุทธศาสนาท่าน ให้หาธรรมเข้าสู่จิตใจมากกว่าท่านเน้นเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมแต่พวกเราท่านทั้งหลายในท่านพวกเราเน้นทางรูปธรรมมากกว่านามธรรมในการสะแสวงหาทรัพย์นี่แหละคือเพื่อเลี้ยงรูปธรรมแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนอาหารดีขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกาย ร่างกายนี่นก็ยังแก่เจ็บตายในที่สุดถึงจะนุ่งผ้าผมผ้าดีขนาดไหนเอามาให้ร่างกายใส่ร่างกายนี่นก็แก่เจ็บตายในที่สุดถึงพวกเราจะมียาดีขนาดไหนเภสั์ดีขนาดไหนเอามาบำรุงบำรเวอร่างกายไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไม่มีมันก็ถึงที่สุดของมันอีกเหมือนกันถึงเราจะสร้างบ้านหรูหราโออา อให้ดีไม่อยู่ดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะฉะนั้นพระพระุทธเจ้าท่านว่าถ้าเราปุนปือทางปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเออคือยังมันไม่ไม่ใช่ของเรานะมันยังเป็นอื่นอยู่เสมอคล้ายๆว่าไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายเพราะฉะนั้น พขาพุทธเจ้าอาจารว่าให้ดูแลพอประมาณอย่าลืมอย่าลืมอาหารทางด้านจิตใจอาหารทางด้านจิตใจคืออะไรท่านสอนเถอะพราะพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าถึง6ปีไปค้นคว้าศึกษาเอาวิธีวิชาที่เ อ, เอาอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยท่านจะทํำยังไงเพราะท่านดูแลร่างกายเนี่ยถึงจะเลี้ยงยังไงก็จังเลี้ยงไม่เชื่องต้องตายแน่อีกสักวันหนึ่งแต่จะทํำยังไงถึงจะ เอาอาหารเข้าสู่จิตใจได้พระพุทธองค์ไปนั่งอยู่ในไปนั่งสมาธิไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีนะพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระมหากษัตริย์นะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ลงทุนไปอยู่ศึกษาค้นคว้าอยู่ในป่าตามลําพังถึงหปีวันเดือน6กเพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณคือท่านไปนั่งสมาธิโคนต้นโพในวันเดือนหกเพน พอนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเหมือนกับพระประธานอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยแหละท่านนั่งอย่างนี้แหละพระพุทธรูปนะพระพุทธเจ้าในสิทธิฐานนะแต่ท่านหลับตาท่านนั่งท่านหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วจากนั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละท่านอ า, อาหารเข้าสู่จิตใจของท่านนะพอจากนั้นใจของท่านก็ไม่คิดถึงอดีต อดีตคือเมื่อวานวันวก่อนถ้าไม่คิดถึงอนาคตวันพรุ่งนี้มันเลยที่ท่านก็ไม่คิดถึงใจของท่านอยู่ในปัจจุบันคือที่จจจจทลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นไม่ต้องคิดผิดอ ด, ดีตไม่ต้องคิดไปถึงอนาคตพระไทยหรือใจของพระองค์อยู่ในปัจจุบันคืออยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกจากนั้นใจของพระองค์พระไทยของพระองค์ความรู้สึกของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งฮะ จิตรวมจิตรวมใคราครับอารมณ์ทั้งหลายที่ที่มันปุงฟุ้งนึกคิดต่างๆนะ่ยมันไม่นึกไปคิดอะมันรวมลงเป็นหนึ่งจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์รู้ได้ว่าเอออันนี้คือจิตรวมเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดฌานเกิดญาณทัศนะเกิดฌานพอเกิดญาณฌานในขณะที่จิตรวมสงบนั้นพระ อ, องค์น้อมจิตที่เกิดที่รวมลงเป็นหนึ่งนั้นน้อมจิตระลึกชาติขนหลัง ท่านเจอว่าปุเพในวาสานุจตติยานระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัทคณะทศานญาติโยมทุกๆท่านนะให้นึกไว้เลยว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนี่แหละญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าท่านระลึกชาติผลหลังได้ถ้าหวนระลึกถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนชาติก่อนถ้าระลึกถึงชาติก่อนชาติต่อๆไปชาติก่อนนั้นเป็นอะไร เพระพุทธเจ้าพราะพรุทธเจ้า500รอชาติอย่างเนี้ยพระพงศ์ละลึกะลึกชาติทุนหล่หลังได้นะวะปุเพเนวาสารุจติยานละลึกชาติทุนหลังได้เพราะฉนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกเนีพราะพระพุทธเจ้าทำไมรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดอกีกเพราะท่านท่านนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วท่านรู้ได้ว่าร่างกายหเหมือนกับรถตัว ทวนใจของท่านคือความรู้สึกนึกคิดของท่านอ่ะเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าไม่คนไม่ขับรถก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใจของพระองค์หรือพระไทยของพระองค์ความรู้ของพระองค์คือเหมือนกับคนขับรถร่างกายเนี่เหมือนกับรถถ้าว่าคนขับรถออกจากรถแล้วร่างกายนี่ก็ต้องหมดสภาพตายเพราะนั้นท่านว่าตัวที่ออกจากรถนั่นล่ะคือใจนั่นแหะตัวนั้นแหละ พาไปเกิดนเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ว่าเรามาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่เราไม่ได้สนใจคุณงามความดีไม่สนใจเรื่องบุญกุศลไม่ได้เอาอาหารเข้าสู่จิตใจเลยมีแต่เที่ยวมีแต่เตรมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นเป็นแต่ละวันวน ว, นวันไปเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อถึงข่าวร่างกายเมื่อรถมันเสียนะ สายพานมันหลุดหมอน้ำมันมันรั่วน้ำมันแห้งน้ำมันมันหมดลูกสูบมันติดเครื่องมันพังอย่างนี้โซเฟอร์จะทำยังไงโซเฟอร์กับหมดที่จะจะทำยังไงไม่ได้แล้วรถคันนี้อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ย เ, เส้นเลือดไปอุดสมอง เ, อเส้นเลือดไปอุดหัวใจไตาวายหัวใจล้มเหลวไตล้มเหล ว, อ ย, ลหลวอย่างเนี้ย ร่างกายของเราก็หมดสภาพตายพอตายไปแล้วเนี่ยใจทํำยังไงขยับที่ไหนมันก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหมดสภาพแล้วร่างกายจะทําไงโซเฟอร์จะทำไงเนี่โซเฟอร์ก็จต้องออกจากรถไปเมื่อออกจากรถไปเนี่ยถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่าขณะที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์บาปบุญอะไรไม่มีข้าพเจ้าไม่ได้สะแสวงหาอะไรทั้งหมด ในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นน่ะเราออกจากรถเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมหาทุนไว้ก่อนเเราคิดดูกันแล้วกันว่าโซเฟอร์คนนั้นน่ะเขาจะไปที่ไหนเพราะเขาไม่มีเงินแต่ถ้าว่าโซเฟอร์เราได้คิดไว้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่เดียวนี้น่ะเออตายแล้วไม่สูญนะเพราะพุทธเจ้าท่านสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วกดีกพวกเราก็สแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา ในเมื่อเราได้ส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมีทานให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิภาวนาตามหลักธรรมตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าให้เป็นคนดีสรุปแล้วคิดดีทดําดีพูดดีเอเราจะไม่ทําสิ่งที่มันช่วยชาติเสียหายเราจะทําดีเท่านั้นเราจะมีศีลห้าเราจะให้ทานจะเคารพปิดามารดารวเคารพไวยวุฒิขุนวุฒอ อันนี้คือสั่งสมขุนงามพอดีเข้าสู่จิตใจแปลว่าอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่พวกเราทําตนอย่างนี้ได้แล้วถ้าออกจากร่างนี้ไปแค่ว่าคนนั้นมีบุญมีกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะไปในสถานที่ใดเหมือนกับเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะไปหาเกิดที่ไหนก็ได้เราจะไปสู่สวรรค์ชั้นผมก็ได้แต่ถ้าว่าเราชําระกิเลสเป็นพระอรหันต์เราเข้าสู่ที่ผ่านไปเลยแต่ถ้าเราไม่ได้คิดทีนี้คนที่ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลย หาอยู่กินหาอยู่หากินเป็นวันวันไปไม่ได้คิดว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนญไม่ได้คิดอะไรทั้งหมดอยู่ๆไปอย่างนั้นแหลอแต่ถ้าว่าเขาไม่ทําความชั่วก็ยังดีอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ทําความชั่วเสียหายใจของเขาก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เชื่อและเขายังทําความชั่วทุกอย่างอีกต่างหากนะพอออกจากรถคันนั้นแล้วนะอมีโอกาสที่จะไปตกนรกไปเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ทุรษ า, าหลายหลายอย่างได้ เพรนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้เห็นว่าวิญญาณหรือว่าใจของคนเนี่ยออกจากร่างนี้แล้วจะไม่จะไม่เป็นอย่างเก่านะเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติชาติหน้าเป็นมนุษย์อีกท่านไม่ได้รับรองอย่างนั้นพร้อมที่จะเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ทุกชาตได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านให้สั่งสมบุญกุศลร่างกายอาหารกายเราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการส ะ, สะแสวงหาทรัพย์ มาเลี้ยงครอบครัวมาดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเรามาถึงขนาดนี้แล้วแต่อาหารทางด้านจิตใจเนี่ยพวกเราก็ไม่ควรจะประมาทควรจะสั่งสมเก็บหอมรอมเลิบบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของของเราไว้เพื่อไปสู่ประโลกภายภาคหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่ท่านเป็นนั่งภาวนาในป่าดงพงไพ่นั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งทั้งนั่งสมาธิเนี่ย ท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถามองค์ไหนองค์นั้นละ่ะถ้าท่านนั่งภาวนาถ้าว่าพวกเราท่านทั้งทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญหลักพิสูจน์ก็อย่างที่ว่าเนี่เนะี่ยหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสัง่งสอนว่านั่งขัดสมาธิเมื่อนั่งสมาธิแล้วกําหนดลมหายใจเข้าแต่พระพุทธเจ้าท่านหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆนะแต่หลวงปู่มั่นท่านว่าอูหายใจออกหายใจเข้าหายใจ หายใจเข้าหายใจออกแล้วมันยังมีช่องว่างอยู่ทําให้หลุดออกได้ง่ายๆความรู้สึกของเราหลุดออกได้ง่ายท่านเยอะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพดหายใจออกบริกรรมว่าโทพดโทพดโทให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนี่แหละให้ภาวนาอย่างนี้เนาะอันนี้หลวงปู่มั่นของครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่หลวงพ่อแถมอบอกอีกว่า เออถ้าหาว่าพวกเรานะนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธดูแล้วมันยังหลุดออกได้อยู่ให้พวกเราทดลองน ะ, นะทดลองเพราะว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนห ล, ลายอย่างกรรมฐาน40แต่หลวงพ่อนี่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้แก่คณะสัทธาจติโยมว่าให้ทดลองนับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3ามหายใจออกนับ4นับไปจนถึง100แล้วก็กลับมานับหนึ่งอีกเราเผลอไหม คำว่าเผลอคำนี้คืออะไรเวลาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสหายใจออก4ี่หายใจเข้า5้าหายใจออกหนับไปถึงร้อยถ้ามันจะเบอร์แล้วมันจะเผลอนะมันจะเบอร์บอเบอร์อบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่ท่นี่ แต่เรานับทีบใหม่ๆหายใจหนึ่งเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามให้ใจออกสี่ให้ใจเข้า 5, ห้าให้ใจออกหไล่ไปถึง น, นับไปถึงร้อยถ้านับไปถึงร้อยไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีใช้ได้ไม่อีกไม่เผลออีกใช้ได้เถ้าไม่เผลอสักสี่ห้าหครั้งหรือถึงสิบครั้งแล้วเราจึงค่อยมาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธต่ อ, ตอเออันนั้นจะดี แต่โดยมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะพอเบพอไปบางทีไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบสอง้อยจิตใจซ้ำไปพอนับไปหน่อยหนึ่งเท่เนี้ทั้งที่หายใจเข้าเป็นเลขขี่หายใจออกเป็นเลขคู่หายใจเข้ามันเป็นเลขแปดหายใจออกมันเป็นเลขเก้ามันสลับกันแหละเออหายใจเข้าเป็นเลขสิบหายไปออกหายใจออกเป็นเลขสิบเอ็ดเนี่ยนี่แหละมันจะสลับกันอย่างนั้นอันนี้แปลว่ามันเบอร์มันขาดแล้วเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าเราขาดบ่อยไหม ถ้าเราขาดบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมนะคนมีสติขาดบ่อยๆอย่างนั้นไม่ดีเพ้อเพอมันเป็นบ้าเป็นบอได้ไง่ายๆเหมือนกันคนขาดสติเพราะฉนั้นขอให้พวกเราฝึกสติให้อยู่กับตัวเองสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนานเท่าไหร่ดีเท่าไหร่องทนเท่าไหร่ไม่เผลอเท่าไหร่เป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกสมาธินะอยู่ที่บ้านของเราก็ฝึกได้เวลาเดิน เดินรอบน้องไปจากทีนี่เราเดินออกกําลังกายแล้วก็บริกรรมขาขวาพุทธขาซ้ายโทไม่ต้องคิดอย่างอื่นพุทโธพุทโธพุทโธนีเป็นการออกกําลังกายไปด้วยก็ได้แล้วเราจะวิ่งจ็อกกิ้งพุทโธพุทธโธพุทโธพุทโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธตลอดไปก็ยังได้นี่แหละการภาวนาไม่ได้เลือกการสถานที่เหมือนกับคนตายเน่ยเราเดินออกกําลังกายตายไม่เป็นไม่ใช่นะนั่งรถนั่งเรือตายไม่เป็นไม่ใช่นะ เรามีโอกาสตายได้ทุกเว ล, เวลาเพราะฉะนั้นการภาวนาอย่าไปเลือกการสถานที่เราระลึกขึ้นเมื่อได้เมื่อไหร่เราภาวนาเมื่อนั้นนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอายุถึงปู่นี้แล้วนะอายุถึงปู่นี้แล้วควรจะควรจะใส่ใจเพราะทุกวันหลวงพ่อเคยย้ําอยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเรานี่รอวีซ่ากันอยู่ขณะนี้พวกเรายังรอวีซ่ากันอยู่ ถ้าว่ามีวีซ่ามาถึงเมื่อไหรเมื่อนั้นเราจะต้องกลับบ้านเก่า เ, เมื่อเราเกิดมาเนี่ยหย ม, มาโทษเขาเขียนวีซ่าให้แล้วนายนั้นนางนี้ไปเกิดแล้วนะ อ, อ, อีกสักวันหนึ่งนะเขาจะส่งวีซ่ามาให้จากนั้นเขาก็ส่งวีซ่ามาให้พอส่งวีซ่ามาพวกเราได้รับวีซ่าแล้วก็นะลูกหลานลูกหลานญาติพี่น้องก็ส่งขึ้นเมนไปเผากันทีนี่จากนั้นก็เราก็ไปคนเดียวหายเงียบไปแล้วทีนี้เพราะนั้น ในนาขณะที่เราไปนะั่นน่ะเราจะไปที่ไหนถ้าเราไม่ได้เตรียมใจเราไม่ได้เตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแล้วเราอาจจะตกต่ําไปเกิดอย่างที่ว่ามูหมากาไกาไปตกนรกหมกไหมไปได้ทั้งนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาพบได <Naj af 1> ้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบศีลธรรมแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์อย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนถ้าพวกเราอยากที่สูจนก็อย่างที่หลวงพ่อได้ บอกกล่าวว่าให้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายนี่เป็นเป็นอันหนึ่งแต่นามธรรมจิตใจนี่เป็นอันหนึ่ ง, นนงร่างกายเหมือนกับรถแต่ส่วนจิตใจเหมือนกับคนขับรถเราจะรู้ได้จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะมาวันนี้หลวงพ่อให้เป็นแนวความคิดสำหรับผู้สูงอายุจากนั้นก็ให้พวกเรา รู้จักปล่อยรู้จักวางอยู่กับลูกกับหลานเหมือนสมัยก่อนนะนะสมัยก่อนเราเป็นยังไงสมัยก่อนเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ชอบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่เมื่อเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาเราจะกลับกันเขาทีเดียวมากเกินไปมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะแต่ก็รู้จักปล่อยรู้จักวางก็รู้จั ก, ก, จกให้อภัยแล้วก็รู้จักดุด่าว่ากล่าว ดูด่าว่ากล่าวจนเกินไปก็ไม่ถูกจะไม่ดูด่าว่ากาลซะเลยก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้พวกเราผู้สูงอายุทั้งหลายสรุปแล้วก็คือให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางให้รู้จักเข้าหาวัดวาศาสานาให้รู้จักไหวพระสวดมนต์ให้รู้จักศีลรู้จักจทำถ้าพวกเรารู้จักปล่อยรู้จักวางในจิตในใจแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขจะปล่อยวางได้อย่างไงหลวงพ่อลูกหลานญาติพี่น้องอกิจการงานของ ผู้ฆ่าเนี่ยของฆ่าเปเจ้าเนี่ยของดิฉันของผมเนี่ยมีมากเหลือเกินฮะเออแล้วจะปล่อยวางได้ยังไงถ้าหลวงพ่ออยู่ตามลําพังอยู่วัดก็ได้แต่ที่ปล่อยวางได้ไม่ใช่นะเราต้องคิดใหม่เราต้องคิดใหม่พวกเราทั้งหลายต้องคิดใหม่หลวงพ่อเห็นไหม ว, วัดวัดวาศาสานาเนี่ยเห็นไหมคนที่มาทําอะไรเดี๋ยวนี่ยหลวงพ่อจะต้องรับภาระหมดทุกอย่างในวัดของหลวงพ่อไม่ว่าพระทั้งหมดถึง48รูปประจำพรรษา ศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแต่ละวันเลยก็มากมายแต่หลวงพ่อรับภาระเอรับทําหน้าที่ทําหน้าที่หัวหน้าทําหน้าที่สมภารทําหน้าที่ผู้เจ้าของวัดหลวงพ่อรับหน้าที่แนะนําสั่งสอนพูดให้ฟังคณะศรัทธาญาติโยมมาเกี่ยวข้องพูดให้ฟังแต่เวลาหลวงพ่อนั่งภาวนานะหลวงพ่อนั่งในกุฏิหลวงพ่อจะสอนหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองเลยท่หลวงพ่อจะสอนหลวงพ่อเองเลยนะหลวงพ่อเองเอ้ย ถึงใครจะมาเกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนก็ตามเธอนะถึงจะมีชื่อเสียงอะไรก็ตามเลยยศถาบรรดาศักดิ์ลาบยศสรรเสริญขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งนะหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดนะอหลวงพ่ออินจะสอนปล่อยวางที่ใจนะเวลาหลวงพ่ออินนั่งภาวนาหลวงพ่ อ, อ, อนึกในใจอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งทั้งกระดูกตัวเองด้วยไม่ใช่ทิ้งแต่ในวัดวาศาสนาเท่านั้น เพราะฉะนั้นหลวงพ่ออินจะตั้งอยู่ในความประมาทหาลวงพ่ออินจะสอนหลวงพ่ออินอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่ออินจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนไม่พอใจไม่พอใจขนาดไหนเราจะต้องทิ้งทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคิดอย่างนั้นในใจถ้าพวกเราคิดอย่างนั้นในใจแล้วความโกรธในใจของเราก็จะไม่มากความโลภของเราก็จะไม่มากความผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆก็ไม่มากเพื่ออะไ เพราะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากกันอยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่ อ, อไรมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเออเป็นหมื่นปีแสนปีนะร้อยปีก็ทั้งยากแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราการอยู่ด้วยกันด้ ว, ว่าการมีชีวิตอยูนะ่ขอให้ประกอบแต่คุณงามความดีให้สั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเ ข, ข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราจะมีความสุขอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความสุขเพอรู้จักปล่อยรู้จักวางให ให้รู้จักการวางตัวสำหรับตัวของเราเองนะนการพูดและการกล่าวสมมทรนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรันตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบ ขอบเขตของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน